วันนี้นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราได้ร้องเพล น, นักบวชจงเป็นวันแรกนะของเทศกาลสงการานต์เวลาพูดถึงสงการานต์นี่พวกเราก็นึกถึงความสมดุกสมานะได้สาําแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ยังเป็ น, เ, ป น, นเทศกาลนี้ดีกว่านะยังเป็นช่วงเวลาสำหรับการทำความดีเป็นการทำความดี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 เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ เ, เราอาจจะ ก, ก็ให้เราระลึกถึงความดีที่เราควรทําในวันสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานอยู่ที่วัดอาจจะทําได้ไม่ครบถ้วนกลับไปที่บ้านนะก็ไปทําให้ครบถ้วนนะเนื่องจากพ่อแม่บุปการี ญ, ญาติผู้ใหญ่หรือว่าสิงสารสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราและก็ผู้สันสันเท่า น, นี้นะเตรียมรับพร